เรียนด้วยใจอยากเนี่ยยากมากเลยพออยากเราก็จะทำอยากได้เร็วๆก็จะรีบทาทำเอาไม่ใช่ของจริงมีปั ส, สนากรรมฐานไม่ได้ก็าให้ทำอะไรคำว่าปั ส, สนาว่าการเห็นมีปั ส, สน า, าการเห็นอย่างเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นตรงความจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นเอา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 น, นถ้าจะทาสมถะก็ทำให้มันเรียบร้อยกระโดดกระเด็กไปใจสงบยากมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปหินมกเป้งตอนนั้นสร้างมนตดบอยู่มน์ดบเพิ่งเสร็จนะกุฏิเก่ายังไม่รู้ต้องไปกับพวกพี่วัยรุ่นเก่ากึกขนาดเพิ่งสร้างมนต์ดบหินมะเป้งลงปูให้ไปอยู่หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าของท่านไอ้กุฏิเก่าของท่านมองเข้ามานะเห็นในมนดบหมดเลย ตอนนี้ท่านไปนอนในมนตปกลางคืนก็เห็นท่านเดินจงกรมนะเราเดินทางมาทั้งคืนแล้วกลางวันก็ไม่ได้พักเลยนะเหนื่อยกลางคืนกลวะว่าคืนนี้จะนอนซะหน่อยหลวงปู่ไม่ยอมนอนเราไม่กล้านอนนะเห็นท่านเดินะ่ะบนตบท่านฝาผนังเป็นกระจกด้านที่ติดกะกุฏิเก่าท่านเห็นท่านเดินอเราจะเดินก็ไม่ไหวนะหนาวก็หนาวนะก็นั่งสมาธิเล นานๆก็ตอนนี้มั่งหลวงปู่ไม่ยอมเลิกเดินดูอ้อยู่จนดึกเลยนะอาทุบเลยนะอาท่านพักหละดีใจเราก็รีบนอนหนาวมากเลยนะตีหนึ่งกว่ า, วาตื่นขึ้นมาชะงกดูหลวงปู่ว่าหลวงปู่เดินจงกรมอีกแล้วเดินจงกรมอยู่องค์เดียวในมนดอฑลว่าเราก็ต้องลุกขึ้นนั่งต่อ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 ถามท่านหลวงปู่ครับเดินจงกรมท่านไหนน้า่านเดินนี่นะทีแรกท่านก็เดินเรียบร้อยนั่นเไม่รู้ว่ามือท่านอยู่ที่ไหนอยากรู้ท่านน่นท่านเดินแขวนนี้่เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับบอกอย่างนี้นะท่านเดินมีต่อท่านเดินจริงท่านสอนกรรมฐานนะสอนัการเจริญสติเนี่ยไม่ได้เลือกกระบวนท่ารนะ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 อะไรที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่เที่ยงอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้เนี่อันนี้จางทุกขังนเวลาเห็นบางคนเห็นคาบคาบกันไปนะต่อกันไปอย่างรวดเร็วเลยอนัตตาเนี่ฉีกออกไปอีกหน่อยอนนี้จางทุกขังนั้นแทบจะซ้อนกันอยู่เลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อย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 แต่ถ้าจะพูดแบบให้มีสมมุติบัญญัติก็ทําศีลทำสมาธิทาปัญญานะแต่พอปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรสภาวะธรรมเขาทำํำนะรูปธรรมเขาทางานนามธรรมเขาทางานจิตเขาก็ทํางานตามหน้าที่ของจิตจิตทําหน้าที่ก็รู้สภาวะทั้งหลายไปนะสังขารทั้งหลายเขาก็ปรุงไปเวทนาทั้งหลายเขาก็ทํางานสุขทุกข์ของเขาไปสัญญาเขาก็ทํางานหมายรู้บ้างจําบ้างนะ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 ดูของจริงเรียนรู้ความจริงเข้าไปเรืสุดท้ายจะเห็นมีแต่สภาวะจะมีกี่ชั้นมันก็แค่สภาวะแค่แค่รูปนามนะมีตะขันห้ารูปนามอายตนะหกธาตุสิอินทรีย์22นะ่สิบองอะไเงี้ยแยกออกไปเยอะแยะเลยแยกเป็นอินทรีย์ก็ได้นะแต่ยังไมเ่เคยเห็นใครภาวนาด้วยอินทรีย์เท่าไหร่เลยทางทฤษฎี ย่งดูศรัทธาได้ไหมศรัทธาเป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งเราดูจิตที่มีศรัทธาสิทธิศรัทธาเที่ยงไหมไม่เที่ยงไหมแสดงใจรักษไหมแสดงความเพียรเที่ยงไหมวันนี้ข ย, ยันอีกวันหนึ่งขี้เกียจแสดงใจรักไหมแสดงเน่เน่ดูอนะินทรีย์นะดูอินทรีย์งั้นดูก็ได้นะขันทา่าศยตนะอินทรีย์ใช้ได้ใช้ได้หมด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 ไม่ใช่ไปส่งจิตตามไปนี่เราฝึอกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็ปิ๊งเ่สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ก็ได้สโสดาละฆราวา์ทำได้นะถ้าสโสดาพระพุทเจ้าไม่ห้ามสกถาเขาทำได้ขราวาสก็ทำได้สกทาขาอนาคาฆราวาสยากแล้เพราะชีวิตฆราวาสหมกอยู่ด้วยกรม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 ส่วนที่มันมากระทบนะเป็นวัตถุกามส่วนที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาเป็นกิเลสกามเนี่ยคารวะนะวันๆกระทบเยอะกิเลสก็เพิ่มก็เพิ่มโอกาสที่จะเห็นทุกเห็นโทษของกามยากเพราะว่าสนองกามตลอดอยากดูก็รีบดูอยากฟังก็รีบฟังอยากกินก็รีบกินอยากนอนก็รีบนอนสนองกิเลสตลอดอย่างพระไม่ได้นะพระแค่อยากออกจากวัดยังไม่ได้เลย ครูบาอาจารย์ไม่อนุญาตไปไม่ได้ก็มีทางไปได้อย่างเดียวก็คือลาออกไปเอาไปทานข้าวไปทานข้าว